เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม อำอเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะได้นําธรรมบรรยายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำซึ่งวันนี้อาตมาก็ได้นําธรรมบรรยายเรื่องจะทําตัวอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งต่อจากข่าวที่แล้วมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นตอนที่4ตอนสุดท้ายหลวงพ่อท่านได้บรรยายไว้ให้แก่คณะ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยห อ, อการค้าไทยได้รับฟังเนื้อหาสาระเป็นที่น่าสนใจเหมาะกับยุคสมัยที่ภัยวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนเกือบจะเรียกได้ว่าทุกสาขาอาชีพกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่หนักหน่วงเอาการอยู่ทีเดียวและธรรมะในเรื่องนี้ก็จะ เป็นคติธรรมที่จะทำให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังทุกท่านนี้ได้เกิดถูกชิดเพื่อที่จะนำธรรมะหลักธรรมคำสอนนั้นมาใช้ในมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดำเนินไปโดยมีความสุขตามฐานะตามอัตภาพและเหมาะสมแก่สังคมในปัจจุบัน จึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมารับฟังคติธรรมสารธรรมจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมาหาเสริมชัยชะยะมงคลในเรื่องจะทำตัวอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวโดยพร้อมกันณบัด น, นี้เหลือเอาไปให้พ่อแม่บ้างทำบุญบ้างฝาก เป็นเงินออมบ้างให้มันเป็นไปตามนี้ก็ถ้าทำได้อย่างนี้เป็นมาตรฐานชีวิตที่จะต้องมีหรือจะต้องได้ความสุขขั้นพื้นฐานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจในระดับไหนอย่างไรไม่เดือดร้อนทำอย่างนี้นะว่ามาสองข้อหมดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ไม่ถึงครึ่งอ่ะหน่อยหนึ่งยี่สิบนาทีก็อีกนิดเดียวข้อที่สามนี่ความสุขนีขั้นมาตรฐานให้เธอจำไว้ความสุขจากการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนี่อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีทีนี้เกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ที่ไหนจริงแท้ไม่ใช่อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์เสมอไปไม่ได้อยู่ที่ฐานะการเงินเสมอไปมีอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ฐานะไหนถ้าท่านมีสิ่งนี้เป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีใครตำหนีได้ จะต้องได้รับการยกย่องเชิดชูเสมอไปคือเป็นคนมีศีลมีธรรมธรรมะข้อนี้คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างน้อยศีลห้าที่เรียกว่าเบญจศีลเป็นคนที่ไม่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนที่ไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตนี่จำไว้นะ ไอ้เรื่องหลอกลวงนี่ไม่ใช่เฉพาะแต่โกงตาช่างนะหลอกลวงคือกระทาผิดกฎหมายของบ้านเมืองเช่นผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งหาวิธีโกงการเลือกตั้งหรือวิธีการซื้อเสียงหรือวิธีการทุทริิตคิดไม่ชอบต่างๆหรือเป็นข้าราชการทุทริิตหรือเป็น นักบริหารธุรกิจที่ทุจริตทางด้านการเงินการคลังการเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจต ก, ตกต่ำไปเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้ซึ่งถ้่จะพูดแล้วมันก็ลึกลงไปพวกเธอคงทราบดีประเภทโกงโดยตรงและโกงโดยอ้อมผิดกฎหมายโดยตรงและโดยอ้อม ไม่สุดจริตเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีเกียรติถ้าอยากจะมีเกียรติจงเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตจริงใจต่อกันประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆขององค์กรที่มีไว้โดยชอบนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเช่นมีความสันโดษในคู่ครองของตน ไม่สัสศนในกิเลสกรรมไม่หมกมุ่นในกิเลสกรรมผู้ที่สัสศนในกิเลสกรรมหมกมุ่นในกิเลสกรรมเป็นคนไม่มีเกียรติเป็นคนขาดสิริมงคลในตัวถ้าผู้ใดเป็นแล้วไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญเลยอยู่ในที่สูงก็พลอยมัวหมองประการที่สาม ที่สี่แล้วสิโกหกโก้ปดมดเท็ดหลอกลวงคนอื่นเขานั่นก็เป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะมีฐานะใดคนไม่นับถือและข้อสุดท้ายที่ห้าคือเป็นผู้เสพและติดสิ่งเสพสิทธิสิ่งเสพติดมืนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิด เป็นคนไร้เกียรติไร้ศักดิ์พอมันเมาเข้าไปแล้วทำได้ทุกอย่างที่น่าเกลียดและไม่ดีต่างๆแม่แต่เป็นดารุงดาราเขาก็ไม่นิยมนะแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สูงขึ้นไปคนก็ขาดความนับถือไปทุกทีทุกทีแต่ที่แน่ๆคือการพิจารณาปัญหา การวินิจฉัยสั่งการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการหรือนักบริหารทุกประเภทถ้ามเมาเสียแล้วการพิจารณาปัญหาเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาและเพื่อที่จะได้ข้อแก้ไขข้อป้องกันปัญหาที่ดีนั่นนำไปสู่การ ตัดสินใจและการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิยุติธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้และนั่นเมื่อมีการสั่งการไปหรือเรียกว่าแอคชั่นออกไปแล้วผิดผิดพลาดพลาดกลายเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีไม่มีเกียรตินี่แปลว่ามาตรฐาน ของความสันติสุขที่จะอยู่ดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางของสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั้นจะต้องเป็นคนมีศีลอย่างน้อยศีลห้าและจะต้องมีคุณธรรมอื่นๆเช่นเป็นคนมีเมตตาปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข มีกรุณาปราถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์มีมุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาคนอื่นและอุเบกขาวางใจสงบวางเฉยไม่ยินดียินร้ายต่อโลกธรมทัาทางแปดได้แก่ลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญ หรือความทุกข์ความสุขทั้งปวงและแม้เห็นสัตว์โลกทั้งปวงเป็นทุกข์อันเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องสงบอยู่อย่างนั้นผู้ที่มีคุณธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าพรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ผู้ที่มีอย่างนี้อยู่ที่ไหนใครก็เคารพนับถือเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี จะยากดีมีจนไปที่ไหนคนไม่รังเกียจแต่ถ้านอกนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปว่าจะทำตนอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวก็ต้องกำหนดความสุขขั้นพื้นฐานว่าต้องเป็นความสันติสุข ซึ่งความสันติสุขนี้มีได้จากการมีทรัพย์พอใช้สอยเพื่อปัจจัยสี่เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกอันจำเป็นตามมีตามได้ตามกำลังสติปัญญาความสามารถที่ทำมาหาได้โดยสุจริตและตามฐานะ ซึ่งรวมเรียกว่ามีความสันโดษนี้เป็นข้อที่หนึ่งถ้าใครมีอย่างนี้รับรองว่าอยู่สบายในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือไม่ว่าในระยะไหนข้อที่สองความสุขจากความสําเร็จในชีวิตคือตั้งตัวได้หรือสาเร็จในกิจการงานที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่นั่น จะต้องมีคุณธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องทิฏฐธรรมิกกถประโยชน์คือประโยชน์สุขในปัจจุบันว่าใครประพฤติปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นอันว่าประสบผลสาเร็จในชีวิตและสามารถมีความสุขได้ปัจจุบันทันตาเห็นคือหนึ่งอุทานสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร 2. อ, อารักกสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ทํามาหาได้โดยสุจริต 3. กัลยาณมิตตาการรู้จักคบคนดีเป็นมิตร 4. ส, สมชีวิตาการรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทํามาหาได้โดยสุจริตแต่พอควรกล่าวโดยย่ออุ อากาเอาไปท่องไวท้วทุกเช้าทุกเย็นรำลึกความหมายให้ได้เอาไปปฏิบัติพวกเธอทั้งหลายจะเป็นเศรษฐีมีสันติสุขในทุกฐานะแลข้อที่สามความสุขจากการที่สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรี ก็คือต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ว่าจะยากดีมีจนถ้ามีศีลมีธรรมแล้วย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทุกประเภททุกวัยเพราะฉะนั้นนี้นี่แหละคือการรู้จักวางตัวหรือทาตนให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัววันนี้ หลวงตาเห็นสมควรแก่เวลาที่ให้ไววสองชั่วโมงแต่ว่าหลวงตาพูดรวมเบ็ดเสร็จทั้งแนะนำตัวด้วยหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็สมควรแก่เวลาขอถือโอกาสนี้ตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงได้โปรดดลบันดาล อภิบาลคุ้มครองครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาทั้งหลายให้ปราศ จ, จากความทุกข์ความโศกโรคภัยส พ, พะอันตรายและอุปตวันตรายทั้งปวงให้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัตย ธ, ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติมีทรัพสมบัติรูปสมบัติ คุณสมบัติและบริวารสมบัติให้เจริญถึงสวรรค์สมบัติและนิพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกขทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขตลอดกาลนานทืนที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชะยะมังคลโลเรื่องจะทำตัวอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว ท่านได้บรรยายไว้ให้แก่คณะนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยห อ, อการค้าไทยได้รับฟังกันก็จบบริบูรณ์รวมทั้งหมดแล้วสี่ตอนด้วยกันที่ธรรมะส่สันตินำมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนมารับฟังสารกดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตาย อัตมานำมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้ข้อคิดสติเตือนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะเราไม่ได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจึงขอเชิญท่านสาธุชนมารับฟังสารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายโดยพร้อมกัน สารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายโดยยานรัตนะความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบและพบอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่มีใครต้องการพบกับความตายโดยเร็ว อันที่จริงการตายกับการเกิดเป็นของคู่กันจนมีการพูดว่าคนเกิดกับคนตายนั้นเท่ากันคือเกิดหนึ่งหนก็ต้องตายหนึ่งหนเท่ากันแต่เพียงแต่เกิดไม่พร้อมกันถึงแม้ว่าการเกิดกับการตายเป็นของคู่กันก็จริงแต่ต้องกันข้ามเพราะ การเกิดส่วนใหญ่นำมาซึ่งความปีติยินดีของบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายโดยเฉพาะมารดาบิดาแต่ความตายนำมาซึ่งความเศร้าสลดเสียใจอะไรของบุคคลรอบข้างและตนเองความตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคล ท, ทั่วไป ข้าพเจ้าขอให้ท่านลองนึกดูว่าถ้าพรุ่งนี้ท่านต้องตายโดยตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลาหกโมงเช้าถ้าเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเมื่อใดก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องตายท่านลองเหลียวมองดูเวลาดูอีกทีสิว่าเหลือเวลาอยู่อีกกี่ชั่วโมง และเวลาที่เหลืออยู่นี้จะควรทำอะไรบ้างข้าพเจ้าขอลองให้ท่านพิจารณาดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งตรวจดูสิ่งของสัมภาระเสื้อผ้าที่พอนำติดตัวไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองบัตรเครดิตบัตรถอนเงินด่วนใบประกาศเกียรติคุณโลก่เกียรติยศปริญญาแก้วแหวนเพชรพลอยว่าอย่างไหนพอนำติดตัวไปได้บ้างหลังจากตรวจ ด, ดูอย่างท่วนทีแล้วถ้าพบว่าไม่สามารถที่จะนำวัตถุสิ่งของเหล่านั้น ไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็แสดงว่าท่านเริ่มเข้าใจความตายและพร้อมที่จะจากสิ่งเหล่านั้นไปแต่ตัวเหมือนอย่างที่ท่านมาข้อที่สองท่านลองตรวจดูบัญชีบุญบัญชีบาป ที่ท่านเคยทำไว้เช่นการเป็นหนี้การก่อเวรการสร้างความลำบากให้แก่ใครๆก็รีบเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปขอโทษให้เขาเอโหสิกรรมแก่เราอย่าได้จองเวรกันเลยมีหนี้มีสินก็ชดใช้ให้หมดให้เขาจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินต่อไป หากเคยล่วงเกินใครก็ให้รีบขอขมาลาโทษได้ยิ่งดีและหันมาดูบัญชีบุญดูบ้างเคยทำบุญสุนทรทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากำจัดกิเลสให้ลดลงบ้างหรือไม่ถ้าเคยจงตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่เคยทำมานั้น ส่งผลให้เราไปสู่สุคติภพคือภูมิที่ดีมีมนุษย์และเทพเทวดาพร้มอรูปประพรมถ้าไม่เคยทัดสร้างบุญสร้างกุศ ล, ลมาเลยก็ขอตรงจงตั้งใจเฮือกสุดท้ายให้สละทรัพย์ที่ท่านสละได้ให้เป็นทานตั้งใจรักษาศีลโดยเร็ว ข้อที่สดูแลสั่งเสียคนรอบข้างทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าอย่าให้มีอะไรข้างค้างหรือห่วงใหญ่มรดกหรือพินายกรรมก็จงแบ่งให้เรียบร้อยพร้อมกับสั่งเสียว่าอย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เราบ้างโดยเฉพาะบุญที่เป็นมหานิสง์ จะได้มาคอยอนุโมทนาบุญกับเป่าญาติถ้ากลัวลูกหลานจะลืมก็อัดเทปส่งฝากข้อความไว้ถ้าเกิดมีความคิดหรือใครมาบอกให้รีบไปบังสกุลแล้วจะต่ออายุได้ก็ขอให้ท่านจงทราบเถิดว่าการบังสกุลเป็นเป็นวิธีการให้กำลังใจอย่างหนึ่ง หรือเป็นการแก้เคล็ดเท่านั้นถ้าทุกคนใช้ได้ผลก็คงไม่มีใครตายหรือคงจะมีอายุยืนยาวนับเป็นร้อยปีพันปีถ้าจะได้ก็คงจะได้เป็นบุญเรื่องของฐานกุศลที่เรานําสิ่งของจะตุปปัจจัยทายธรรมไปถวายพระสงฆ์แล้วขอให้ท่านช่วยชักผ้าบางสุกุลเป็นการแก้เคล็ด ให้เท่านั้นเป็นกำลังใจสำหรับผู้ขวัญหนีดีอ่อหรือผู้เสียขวัญเท่านั้นข้อที่4ให้ท่านใช้เวลาที่เหลือสงบสติอารมณ์และสร้างบุญกุศลที่จะได้มากที่สุดคือการปฏิบัติธรรม สำรวมกายวาจาและใจให้ตั้งอยู่ในศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เตรียมไปพบภูมิต่อไปหรือที่จะไปในสัมปรายภพบเบื้องหน้าพยายามรวมใจให้หยุดให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิแนบแนนมั่นคงระงับความฟาุ้งซ่านถ้าบางท่าน ที่เคยฝึกปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นตามแนวไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยฝึกปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าและนำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติมาบ้างก็จะได้เปลี่ยมเพราะสามารถที่จะรู้ที่ตั้งของใจ ฐานที่7ซึ่งอยู่เหนือระดับจะดือสองนิ้วมือและวิธีรวมใจซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพหรือที่รู้จักกันว่าพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ถ่ายทอดสั่งสอนไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7็นอกจากเป็นที่รวบรวมบุญกุศลแล้วหรือที่ท่านเรียกว่า เป็นทะเลบุญเมื่อมีปัญหาสิ่งใดให้นำใจไปจดไว้ที่ทะเลบุญที่แต่ละท่านแต่ละคนเคยสั่งสมอบรมมาแล้วนั้นคนที่จะไปเกิดมาเกิดก็จะเริ่มจากฐานที่เจนี้ฉะนั้นถ้าเรารวมใจของเราให้หยุดอยู่ตรงที่ตั้งของใจที่พร้อมจะไปแล้วอย่างผู้มีสติไม่ฟุ้งซ่าน หาที่ยึดเกาะไม่ได้พบภูมิที่จะไปก็ย่อมเป็นสุขติพบหรือภูมิที่ดีดังมีพระพุทธภาษิตว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติ ปาติกังขาแปลความว่าเมื่อกิจไม่เศร้าหมองย่อมมีสุขติเป็นที่หวังเสียงนาฬิกาปลุกเวลาหกโมงเช้าดังขึ้นแล้วถ้าท่านต้องตาย ก็นับว่าเป็นผู้โชคดีที่มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับความตายอย่างผู้มีปัญญาซึ่งมีคนจำนวนมากไม่มีโอกาสรู้ตัวมาก่อนเลยแต่ถ้าวันนี้ท่านยังไม่ตายก็ถือว่าเป็นบุญของท่านที่มีโอกาสอยู่สร้างบุญบารมีเพิ่มขึ้นและจงตั้งใจ ปุกนาฬิกาในวันต่อต่อไปกำหนดเวลาตายไว้เรื่อยๆถ้าท่านทำอย่างนี้ได้ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตและจะอยู่อย่างผู้มีสติผู้มีปัญญาและได้ละลึกถึงปัดชิมโอวาทซึ่งเป็นโอวาทสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ให้แก่พุทธบริษัท ได้ละลึกถึงสังขารธรรมทั้งปวงว่ามีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาดังพระธรรมเทศนาตอนหนึ่งของหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีซึ่งจะอัญเชิญมาสู่ท่านสาธุชนในเรื่องปัดชิมวาจาดังนี้ ไปจะกราวโอวาทสุดท้ายที่เรียกว่าปัดชิมวาจาตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปกาถาว่าภาสิตาโขภคะวาปรินิพพานสมยเย อ, อยังปัดชิมวาจาหันทธานิภิกขเวอามันตะยามิโว วยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทธแปลเนื้อความเป็นภาษาไทยว่ากินอยู่วาจาสุดท้ายนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งแล้วว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายเราเรียกท่านทั้งหลายมาสู่ที่เฝ้าเรานี้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเสมอนี้จำไว้อันนี้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเสมอสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกาย และรู้แจ้งทางใจเสื่อมไปเสมอไม่เหลือเลยอัปมาเทนะสัมปาเทธะท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่เผลอไม่ประมาทท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่เผลอในความเสื่อมไปนั้นให้ตรึงไว้กับใจเสมอนี้แหละเจอละ ทางไปของพระพุทธเจ้าพระอระหันต์เป็นหนทางหมดจดวิเศษทีเดียวนึกถึงความเสื่อมอันนั้นนึกถึงความเสื่อมได้เวลาไรก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เกิดกับตนเวลานั้นให้นึกอย่างนี้นี่เป็นข้อสำคัญเนื้อความของพระบาลีแปลเป็นสยามภาษา ได้ความดังนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นสารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายโดยยานรัตนะอัตมานำมาฝากท่านสาธุชนเพื่อเมื่อได้รับฟังแล้ว ได้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทระลึกนึกถึงมรณสติให้เป็นอารมณ์อยู่เสมอเพื่อที่จะได้ทำกุณความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญนักสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพอ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.